นวโกวาดธรรมวิภาคสัตตกะคือหมวดเจ็ดอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวชื่อว่าอปริหานิยธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสอง เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันช่วยทากิจที่สงจะต้องทำามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิก ข, ขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สี่ ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่า 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสัมมเนนซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขธรรมะเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอริยทรัพย์เจ็ดทรัพย์คือคุณความดีที่มีในสันดานอย่างประเสรศิฐเรียกอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างคือหนึ่ง ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามหิริความละอายต่อบาปทุจริตสี่โอตตะ ป, ปะสะดุ้งกลัวต่อบาปห้าพาหุสัจจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามาก คือจำทรงธรรมะและรู้ศิลปะวิทยามาก 6. จาคะสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน 7. ปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อริยทรัพย์เจ็ดประการนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นควรสแสวงหาไว้มีในสันดาน สัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างธรรมะของสัตบุรุษเรียกว่าสัต บ, บุริสธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งธรรมัญยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ 2. องอัฏฐานยุตาความเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่า สุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้สอตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติประกูลยศศักสมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรสี่ มัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบและรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควรหกาลัญยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ 6. บริสัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชน และกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้น7จ็ดปุขละปโรปรัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นต้น สัพพุริสธรรมอีกเจ็อย่างหนึ่งสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมะเจ็ประการคือมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเป็นคนได้ยินได้ฟังมากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญา 2. จะปรึกษาสิ่งใดกับใครๆ ก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น3ามจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นสี่จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นห้าจะทำสิ่งใดก็ไม่ทาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นหก มีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น 7. ให้ทานโดยเคารพคือเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุดทิ้งเสียโพษชงเจ็ดหนึ่งสติความระลึกได้ 2. ธรรมะวิจยะ ความสอดส่องธรรมะ 3. วิริยะความเพียร 4. ปีติความอิ่มใจ 5. ปัสสธิความสงบใจและอารมณ์ 6. สมาธิความตั้งใจมั่น 7. อุเปกขาความวางเฉย เรียกตามประเภทว่าสติสัมโพชงไปโดยลำดับจนถึงอุเปกขาสัมโพชงอัตตกะคือหมวดแปดโลกธรรมแปดธรรมะที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมะนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้นแดอย่างคือ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 อย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากธรรมะเหล่านี้พึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระาศาสดา ธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายธรรมะเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นวินัย เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดามักมีองค์8 1. ดหนึ่งสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสีสอสัมมาสังกัปปะดําริชอบคือดําริจะออกจากกามหนึ่งดําริในอันไม่พยาบาทหนึ่งดําริในอันไม่เบียดเบียนหนึ่ง 3สัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่สสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสามหสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากความเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด 6. สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเจสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานทั้งสี่ในองค์มรรคทั้งแปดนั้น เห็นชอบดําริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลศิกขาเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในจิตตะศิกขานวะกะคือหมวดเก้ามาละ ในที่นี้สะกดด้วยมอม้าลอลิงสระอะนะครับมะละคือมนทิน9ก้าอย่างโกรธลบหลู่บุญคุณท่านริษยาตรณีมายามักอวดพูดปดมีความปรารถนาลามกเห็นจิต